พูดถึงเรื่องความรู้สึกที่เป็นสุขคนทั่วไปก็ดูจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็เมื่อเราติดสุขชอบความสุขแต่แล้วเวลาความสุขมันเปลี่ยนแปลงไปใจเรามันก็เป็นถุกอีกแหละเพราะว่าติกอยู่ในความสุขระวังให้ดีนะคนที่ติดอยู่ในความสุขมากมากุขจากการกินสุขจากการนอนสุขจากการท่องเที่ยวเมื่อเราแสวงหาสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยนี่เราก็ต้องเป็นถุกแต่อีกอาการหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เป็นเฉยๆกลางๆ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 เรามีสติสักหน่อยเวลามันเกิดความสุขขึ้นมานด้านจิตใจเรามีสติรู้ทันไม่หลงลเลยในความสุขนั้นเราไม่ห้ามความสุขแต่เรามีสติรู้ไว้อย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้มกมุ่นอยู่กับความสุขเรารู้ไว้แล้วก็ม่ยึดมั่นถึงมั่นฝึกที่ปล่อยวางความสุขซะบ้างและในขณะเดียวกันถ้าใจาเรายังเป็นทุกข์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 ทุกมันก็คือกิเลสแต่จิตที่มีสติรู้เฉยๆจะอยู่เหนือความสุขความทุกข์นะจะอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆที่มาปรุงแต่งพนั้นจิตใจแค่รู้เฉยๆจิตอารมณ์ที่มันบวกกันอยู่จิตจะเป็นอิสระกว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็จะปรุงแต่งจิตใจไม่ได้จิตก็จะสบายๆายเป็นอิสระแต่ว่า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 จึงเกิดการปรุงแต่งพ้านจิตใจทีจ่เรียกว่าสังขารทำให้ใจเราเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครทําให้เราแล้วเราก็ไม่ได้ทําเองเกิดจากความหลงศาสนาพุทธนี่ยปฏิเสธเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะีไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติของความหลงเท่านั้นถ้าเราทําในส่วนที่มีสติรู้ทันกิเลสไม่ได้ใจเราย่งเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่เป็นไร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 หลายพบหลายชาติมีแต่ความทุกข์ยากลำบากแต่ท่านอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนความไม่ท้อแท้ใจจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้พระอริยส า, าวกก็เช่นเดียวกันทุกรูปก็ต้องอาศัยบาเพ็ญเพียรบารมีความขยันความอดทนจึงจะปฏิบัติธรรมเพื่อถึงที่สุดเิแห่งความทุกข์ได้คุณหมอคุณครูเนี่ยนะก่อนที่จะเป็นครูที่ดีได้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 มาเจริญสติรู้ลงไปที่กายที่มันกำลังเคลื่อนไหวในอริยาบทต่างๆรู้ที่จิตใจที่มันคิดมันนึกอาศัยความเพียรในภาษาธรรเรียกว่าอาตาปีคือเพียเพรเผากิเลสให้ร้อนทั่วอาศัยสติคือความระลึกได้อาศัยสัมปัช ญ, ญะคือความรู้สึกตัวทำลายความยินดียิ้ายละจิตใจออกไปเสียได้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 มันทีจิตใจเรามันงุดงิดปิดอัดคัดเคืองเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็เซ็งอาการที่ไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยมันกําลังร้อนเพราะถูกกิเลสมันเผาแส่แล้วเรามีสติรู้มันเฉยเฉยในอาการต่างต่างเราเนี่ยรู้เฉยเฉยเนี่ยเราก็ดูดูกิเลสมันถูกเผาเหมือนกันนะมีสติดูยวหาเราไม่ได้ถูกเผา แต่กิเลสกำลังผูกเผาให้ร้อนทั่วถ้าเราขาดสติเนี่ยเราถูกกิเลสเผานะแต่ถ้าเรามีสติกิเลสก็ถูกเผาเช่นเดียวกันดูที่มันร้อนรุ่มกลุ่ ม, มบุลาดูเฉยๆดูอยวงหาจิตใจเราจะไม่เปื้อนนะจะไม่เป็นทุกข์จะไม่ถูกเผาไปด้วยอุบามาไม่เหมือนกับที่เราดูไฟไหม้ใช่ไนะเราเคยไปดูไฟไหม้ไหมดูกองไฟดูไฟกลาลังไหม้ ตอนแรกเราดูใกล้ๆตัวเราก็ร้อนแล้วก็ถอยระมังหานะ่างซะเราก็ไม่ร้อนการเจริญสติกเช่นเดียวกันปฏิจัยมันร้อนรุ่มเนี่ยเราก็ดูอยูห่ห่างวางใจเป็นกลางๆเฉยๆอย่างมีสติเราก็ไม่ร้อนเนี่แหละคือการปฏิบัติสําคัญนะถ้าเราเจริญสติเวลามันมีความคิดเพลอคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อย่าเพ้อสตินะ เราจะรูสติดูกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆถ้ามีความคิดเพลิดขึ้นมาเราก็ต้องมีสติรู้ทันในความคิดนั้นอย่าไปเพลอโกรลินบางคนมันคิดขึ้นมาปับ๊บจิตก็โกรธทันทีเลยผูกเเผาแล้วมันเพลอคิดไม่เป็นไรเรารู้ไว้เราก็ได้สติแล้วอย่าเพลิเลดเพลความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละเราจะเกิดปัญญาถ้าเราดูความคิดสังเกตความคิดไปเรื่อยๆนาน